จิตนี่นะมันหลอกหลอกเหมือนว่าโอ้จิตดวงเดียวกันนี่แหละพามาจิตดวงเดียวกันนี่แหละทาให้นั่งอยู่จิตดวงเดียวกันนี่แหละกลับไปแล้วจิตดวงเดียวกันนี่แหละทําให้ทําอย่างนั้นทําให้ทําอย่างนี้เหมือนว่าคนนั้นเนี่ยแน่นแน่นอนเหลือเกินมั่นคงเหลือเกินทั้งๆที่ความคิดเนี่ยชั่วขณะหนึ่งเขาคิดกี่เรื่องแล้วเขารับรู้กี่อย่างแล้วเพราะฉะนั้นความคิดนั้นจึง เป็นของที่ไม่เที่ยงตามเห็นความคิดทั้งหลายโดยสภาพเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นแหละเรียกว่ากําหนรู้วิญญาณอาหารผู้ที่กําหนรู้วิญญาณอาหารก็จะรู้ถึงกิจของจิตด้วยว่าการเกิดขึ้นของจิตครั้งแรกในชาตินี้เรียกว่าอะไรเรียกวอะไรปฏิสนธิสืบเนื่องรักษาภพชาติอยู่เขาเรียกว่าผวั ง, งเมื่อปฏิสนธิภวัง ในที่สุดกลุ่มเดียวกันนี่แหละตอนท้ายของชีวิตนี้ก็จุดติระหว่างชีวิตที่ดำเนินเป็นไปเนี่ยนะก็มีการเห็นเรวทัตสะระทกิจเห็นทรรมกิจได้ยินทรรมกิจรู้กลิ่นทมกิจรู้รสทำกิจรับประทบสัมผัสนะรมกิจอาวัชนะถึงอารมณ์ทมกิจรับอา ร, รมณ์ทำกิ จ, รรกจใคร่ครวญอารมณ์ทำกิจตัดสินอา ร, รมณ์ทำกิจอะนะ ชาวนะจิจก็คือการเสพอารมณ์เป็นต้นตลอดจนถึงตาธรรมะกิจคือรับอารมณ์ต่อจากชาวนะเนี่ยนะจิตเหล่านี้เนี่ยนะก็คือโลกชีวิตของเราที่ดําเนินไปก็คือจิตแต่ละขณะแต่ละขณะที่ไหลสืบเนื่องกันไปจิตเหล่านี้แบ่งเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างอัพยากตะบ้างนะเป็นจิตฝ่ายเหตุบ้างเป็นจิตฝ่ายผลบ้างจิตเหล่านี้ก็เชื่อมโยงสลับคระเคล้ากันไป จิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นของที่ไม่แน่นอนอะไรเลยเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองบอกเอาใจนี่แหละเป็นเครื่องรับรองว่าแน่นอนเอาแล้ววันหนึ่งคุณคิดกี่เรื่องแล้วเอาใจตัวไหนมารับรองยืนยันละ่ะใหม่ๆก็เลยเอาลายลักษณ์อักษรนี่กว่ามัน <c oughs> <c oughs> แสดงว่าใจนี่ไม่ได้เป็นของที่แน่นอนอะไรเลยส่วนมโนสัญเจตนาหารมโนสัญเจตนาหารก็คือกรรม ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเจตนาที่เป็นเหตุแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรียกว่ามโนสันเจตนาหารเพราะผลของเขาให้ผลมาเป็นพบสามนะพบทุกพบเป็นของไม่ยั่งยืนพบทุกพบเป็นของไม่เที่ยงถามว่าทาไมพบชาติเหล่านั้นจึงเป็นของไม่เที่ยงก็กรรมที่ทำในเที่ยงหรือไม่เที่ยง กายกรรมเที่ยงไหมวัจีกรรมเที่ยงไหมมโนกรรมเที่ยงไหมเมื่อกรรมก็ยังไม่เที่ยงแล้วผลของกรรมจะเที่ยงมาจากไหนนะพันธบุญบาปที่ทำก็เป็นของไม่ยั่งยืนแล้วผลแห่งบุญผลแห่งบาปจะยั่งยืนมาจากไหนนะเพราะว่าผลแห่งบุญผลแห่งบาปก็มามาเป็นจิตทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็ให้ผลมาเป็นนามรูปกล่าวว่ามโนสัญเจตนาหาเนี่ยนะจริงจริงอ่ะมโนสัเจตนาหารก็คือ สังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนนะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเนี่ยนะก็คือกับพลิงกระหานพอมีสลายตนะเสร็จก็นำมาซึ่งทัศน์ทัศน์ก็เป็นปัจจัยจึงมีเวทนามโมสัญเจตนาหานก็คือสังขารวิญญาณอาหารก็คือวิญญาณกับลิงกระหานก็คือนามรูปผัสสะหารก็คือผัสสะ นนะก็คือในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละถ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเห็นว่าสภาพของสังขารแต่ละอย่างเป็นของไม่เที่ยงอันนั้น เ, เรียกว่าอนิมิตตวิโมกถ้าพิจารณากระแสะแห่งความเป็นไปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกเป็นสาเหตุไหลเวียนแห่งกองทุกก็เป็นอปป น, นิหิตาวิโมกนะก็คือเห็นแต่ความเป็นทุกข์ที่ไหลสืบเนื่องกันไป ทีนี้ทุกเหล่านี้เนี่ยนะว่าง oons, มีใครเป็นผู้ทําไหมไม่มีมีใครเป็นผู้เสวยไหมมีใครเป็นผู้สร้างไหมมีใครเป็นผู้บันดาลมีใครเป็นผู้สั่งเป็นมีใครเป็นผู้มีอำนาจมีใครเป็นผู้รับมีใครเป็นผู้ทําผู้เสกผู้สันผู้สร้างเป็นต้นไหมก็ไม่มีว่าง <c oughs> จากผู้สร้างว่างจากสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยนะว่างจากกรรมอะไรว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจาก สัตว์และสังขารก็เป็นไปแต่สังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นทุกข์เหล่านั้นใครมีอำนาจสั่งให้เป็นสุขได้ไหมก็ไม่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านั้นใครมีอำนาจทำให้เที่ยงได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดมีอำนาจเพราะว่าถ้ากล่าวอปปนิหิตาวิโมกกับอนิมิตะวิโมกก็ชื่อว่ากล่าวสุญญาวิโมกแล้ว เพราะผู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะพิจารณาทั้งอปปนิหิตะและอนิมิตะเพราะว่าสุญตะคือความว่างเนี่ยคือว่างอะไรว่างจากความสุขที่แท้จริงจากอาหารสี่ประการว่างจากความเที่ยงในอาหารสี่ประการและก็ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สเสวย อ, อยู่ในอาหารสี่ประการเหล่านั้นเลยพันก็ อปะนิิตาวิโมกที่เรียกว่าทุกขานุปัสนาอา น, นิมิตาวิโมก ค, คืออ น, นิจจานุปัสนาเพื่อความบริบูรณ์แห่งสุญญาตานุปัสนานะเมื่อสุญญตานุปัสนาบริบูรณนิพิธานุปัสนาก็บริบูรณ์เมื่อนิพิธานุปัสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสนาก็บริบูรณ์วิราคานิโรธาปฏินิสาขาเป็นต้นก็บริบูรณ์ก็สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏจักรนั่นะนะ เพราะว่าอปปนิหิตาวิโมกอนิมิตาวิโมกสุญญาตาวิโมกก็คือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแสดงเหตุแห่งการออกจากวัตตะว่าการจะออกจากวัตตะสามารถจะกําหนดกับพลิงกราหานกําหนดรู้ภาษาหานกําหนดรู้วิญญาณอาหารและมโนสัญเจตนาหารเพราะคําคว่าอาหารนี่แปลว่าปัจจัยนะอาหารนี่เป็นปัจจัยกับพลิงกระหานทวนนะนํามาซึ่งอะไรนํามาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่แป ภาษาหานํามาซึ่งเวทนาสามวิญญาณอาหารนํามาซึ่งนามรูปมโนสัญเจตนาอาหารก็นํามาซึ่งพบสามเนี่ยนะอันนี้ธรรมะกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมธรรมะกลุ่มที่หนึ่งคืออาหารสี่ออกออกจากอาหารสี่ด้วยวิโมกมกุกสรุปว่าออกจากกปัปลินกระหารภาษาหารด้วยอปปนิหิตาวิโมกออกจากมโนสัญเจตนาอาหาร หรือกำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารด้วยอนิมิตะวิโมกนี่มาดูธรรมะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคืออะไรวิปลาสความเห็นว่างามความเห็นวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามความเห็นวิปลาสว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมถึงการดับหายไปด้วยอัปะนิหิตะวิโมกวิปลาสว่างาม วิปลาดแปลว่าวิปริตเนี่ยนะความเห็นความคิดความสำคัญหมายที่วิปริตว่างามในสิ่งที่ไม่งามความเห็นความคิดที่วิปริตว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ความวิปริตความเข้าใจวิปริตวิปลาดคลาดเคลื่อนเหล่านี้เนี่ยนะจะถูกกำจัดถูกถอนถูกละด้วยอปปนิหิตาวิโมกก็คือด้วยทุกขานุปัสนาเนี่ยนะ คือถ้าเห็นโดยสภาพว่าสิ่งนั้นนะ่ะคือกองทุกชัดๆเลยเนี่ยนะอย่างที่เขากล่าวว่าโอ้งามมากเลยบอกเอางามมากบอกว่าเป็นมะเร็งกับเป็นเอทในระยะสุดท้ายเขบอกว่าหมอเขเล่าให้ฟังว่าเป็นมะเร็งด้วยเป็นเอท ด, ด้วยแล้วก็เป็นบ้าด้วยนี่สิโอ้โหหนักขนาดแยนะ่เนี่ยสาหัสมากคนเดียวกันเนี่ยเป็นอยู่สามโรคในตัวนะมะเร็งด้วยบ้าด้วยแล้วก็เอทด้วย หมอรักษานีหมอว่าหืูห้ำกรรมอะไรมาก็คือขึ้นเชื่อว่ากายทั้งหลายเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นอย่างใดก็ได้เนี่ยนะขึ้นเชื่อว่ากายเนี่ยนะพร้อมที่จะแตกกระจัดกระจายไปอย่างใดก็ได้พันถ้าหากว่าเราสำคัญว่ารูปเป็นของงามเนี่ยนะก็มีอะไรมีจากนอกจากความวิปลาสส่วนวิปลาสว่าเป็นสุขเนี่ยนะวิปลาสว่าเป็นสุขทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งนั้นก็คือความทุกข์ บางคนก็บอกก็มันสุขจริงๆอ่ะก็มันสุขเวทนาหัวเราะร่าสุขเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่เมื่อมันไม่เที่ยงอ่ะก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสุขคเวทนาก็ถึงความทุกข์เพราะไม่เที่ยงอุเบกขาเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยทุกข์เพราะอาศัยสังขารทุกข์ตัวทุกข์เวทนาไม่จําต้องพูดถึงเพราะ เสียดแทงทิมแทงทุกทจริงๆเลยบัรใครที่เจริญทุกขานุปัสสนามากๆจะละวิปลาสว่างงามจะละวิปลาสว่าเป็นสุขนะคือคนที่บอกว่าเจริญอ่าคนที่ละความสำคัญว่างามได้คนนั้นแสดงว่ากาหนดรู้กับพลีกระหานใช่ไคนที่ละความสำคัญว่าเป็นสุขได้คนนั้นก็ต้องกาหนดรู้ ผัสสาหารจริงๆเพราะสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันใครที่บอกว่าเป็นคนที่เห็นแต่ความปฏิกูลแสดงว่าคนนั้นกำหนดกับพลิงกราหานใครที่พี่ารณาเห็นแต่ความเป็นทุกข์ก็กำหนดรู้ผัสสะทั่วนะพระพุทธเจ้าอุ ป, ปมา ก, กับพลิงกระหานเหมือนอะไรเหมือนการบริโภคเนื้อบุดนะเหมือนการบริโภคเนื้อบุดพระ อ, องค์อุ ป, ปมาผัสสาหารเหมือนกับแม่โคหนังปอก แม่โคถูกถลกหนังอ่ะห น, นังปอกดีกว่านะเพราะว่าคุณเคยเราปอกมะม่วงกันบ่อยนันะแม่โคหนังปอกหนังลอกออกมาทั้งหมดเลยจะเป็นยังไงเนาะนนก็จะเห็นว่าถึงลมพัดเย็นโชยๆกับให้แม่โคหนังปอกดูจะมีความสุขไหมอันนะ้นก็อ้าก็ลมพัดเย็นสบายให้แม่โคถูกปอกหนังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจะเป็นสุขไหมกายนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาคือแผลสดนั่นแหละ ถึงจะรับอะไรมันก็คือในที่สุดก็ทุกข์จนได้ส่วนความเห็นวิปลาสว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงนิยอมถึงการหายไปด้วยสุญญาตาวิโมกสุญญาตาเนี่ยนะคือความว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา เมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะความสำคัญว่าเที่ยงก็จะถูกละออกไปความเห็นวิปลาชว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาย่อมถึงการหายไปด้วยอนิมิตตาวิโมกอนิมิตตวิโมกก็คือการเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงบางคนก็บอกว่าอัตตาเนี่ยอัตตาอัตตา อัตตาเนี ak, <kolay pause. S 2> ่ย <t> ค <ark stalls> ือล <all> ักษณะของอัตตาเนีคนไทยกับอัตตาแขกไม่เหมือนกันอัตตาของแขกเนี่ยเขาเขายืนยันว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นของที่เป็นอมตะเป็นของที่มันแน่นอนเป็นของที่มันมั่นคงเป็นของที่มันถาวรเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นสิ่งนั้นอ่ะคือสิ่งที่สูงสุดเนี่ยคืออัตตาของของแขกแต่ว่าอัตตาของไทยเนี่ยอัตตาเนี่ยว่าคนนั้นมีอัตตามากอัตตาของไทยแปลว่ามีมาณะมากยังไง คือคือภาษาไทยเนี่ยเล่นศัพท์เล่นไปเล่นมานี่มันยุ่งไปหมดคนนี้มี mana ม, มากแสดงว่าคนขยันมากนะอาจริงนะคนนี้นี่มี mana มากมานะของเขาแปลว่าขยันโอ้ยควรแก่เวทนาเหลือเกินก็แปลว่าหน้าสงสารนั่นะนะาภาษาไทยมันเป็นอย่างนี้นะทุกวันเนี่ยใช้ไปใช้มานี่ก็เริ่มเป็นอื่นไปหมดละนะคนนี้โอ้หน้าเวทนามากเราบอกว่าหน้าสงสารมาก คนนี้มีมาณะมากปล ว, ว่าขยันมากคนนี้มีอัตตาสูงแปล ว, ว่าคนนี้เย่อหยิ่งมากมาณะสูงมากท่านก็เอาไปเอามาก็ยุ่งไปหมดเลยวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็แปบลบว่าใจไม่ดีก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดียางไงท่านก็บางอย่างก็อ้อมไปอ้อมมาซิกแซกมากก็จนยุ่งไปหมดเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าความเห็นว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาย่อมหายไปด้วย อนิมิตตวิโมกเพราะไม่มีเครื่องหมายว่ามันเที่ยงพอที่จะเอามาเป็นอัตตาได้เลยท่านเห็นรูปว่าเป็นอัตตาหรือท่านเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาหรือท่านเห็นสัญญาสังขารวิญญาณนะก็เห็นท่านเห็นรูปที่ไม่เที่ยงว่าเป็นอัตตาหรือท่านเห็นเวทนาที่ไม่เที่ยงว่าเป็นอัตตาหรือท่านเห็นสัญญาที่ไม่เที่ยงว่าเป็นอัตตาหรือท่านเห็นสังขารที่ไม่เที่ยงว่าเป็นอัตตาหรือท่านเห็นว่าวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นอัตตาหรือ เอาเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วอัตตาของท่านก็ศูนย์นะสิเพราะถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละความสําคัญว่าเป็นอัตตาได้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ใดที่พิจารณาเห็นว่าที่จริงน่าจะถ้าถ้าพูดถึงตามหนึ่ง น, นะถ้าพูดถึงตามคมภีร์น่าจะอ น, นิมิตตาวิโม ก, กคือละวิปลาสว่าเที่ยงใช่ไหมสุญียตาวิโมกน่าจะละวิปลาสว่าเป็น อัตตาเนี่ยนะตามเนื้อหาถ้าเป็นที่อื่นๆจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยในวิสุทธิมรรคเป็นต้นแต่ว่าเนติปกรณ์ที่เขาแปลมานี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าทําไมแปลอย่างนี้แต่ก็พยายามจะอธิบายให้เป็นไปตามคำทีที่รจนาเอาไว้แต่ถ้าเป็นวิสุทธิมรรคนั้นจะอธิบายอีกแนวหนึ่งเนี่ยคือถ้าละวิปลาสว่าเที่ยงก็ต้องละด้วยอนิมิตตาวิโมกละอัตตาวิปลาสก็ต้องละด้วยสุญญาวิโมกเพราะว่าสุญญาวิโมกคือ อนุตานุปัสสนานี่นะแต่ถามว่าถ้าโดยอัฏฐะถ้าโดยอัฏฐะตามที่เราเรียนมาตามเนติปกรณ์เนี่ยนะกล่าวตามลักษณะาหาระมันจะพูดวิโมกไงมันก็วิโมกทั้งสามนั่นแหละไม่ได้ผิดกันหรอกเพราะว่าไม่มีผู้ใดมีแต่อนิจจานุปัสสนาอย่างเดียวไม่มีผู้ใดมีแต่ทุกขานุปัสสนาอย่างเดียวไม่มีผู้ใดมีแต่ อนัตตานุปัสนาอย่างเดียวเพราะพูดอันหนึ่งอันที่เหลือก็เท่ากับพูดแล้วเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะต่างกันแค่โดยพยัญชนะแต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตายถฐานิจจังตังทุกขงังนะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั่นแหละที่ถึงความเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยง ทั้งที่มันไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์แล้วใครไปมีอำนาจสั่งว่าจงเที่ยงจงสุขก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านั้นก็เว้นจากอำนาจในตัวเองฟันก็เลยเรียกว่าเป็นอนัตตาฟันตรงนี้ถ้ากล่าวตามนี้เนี่ยนะตามลักขณะหาระก็ไม่มีความต่างอะไรจะแสดงอันไหนก็ไม่ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยนะจะแสดงว่าละความวิปราชว่าเที่ยงด้วยสุญญะก็ไม่ผิด จะละว่าเป็นอัตตาด้วยอนิมิตะก็ไม่ผิดเนี่ยนะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายก็ถึงกันหมดนั่นแหละตัวนี้ครั้งหนึ่งนะว่าใครที่กําหนดรู้กับพลิงกราหานคนนั้นก็ชื่อว่ากําหนดรู้เออชื่อว่าละอะไรละสุภวิปปราชใครที่กําหนดรู้ภาษาหานก็ชื่อว่าละสุขวิปปราชใครที่กําหนดรู้วิญญาณหารก็ชื่อว่าละ เนจาวิปลาชใครที่กำหนดรู้มโนสันเจตนาหารก็ชื่อว่าละอัตตวิปลาชต่อไปอุปาทานสี่ใครที่เจริญทุกขานุปัสนามากๆก็รูก็ละกามุปาทานและภวุปาทานได้ น, น, นะนะกามุปาทานภวุปาทานย่อมถึงความหายไปเพราะอภินิหิตะวิโมกก็คิดดูนะว่า อะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมในพบใดพบหนึ่งก็ตามสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งโศกระปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตสังขารทุกสังขาร น, นำมาซึ่งโสกระปริเทวทุกทุกขโทมนัสอุปายาตพบใหม่ทุกพบนำมาซึ่งโสกระปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตถ้าพิจารณาแบบนี้มากๆมากๆเข้าจะยึดถือด้วยอานาจการ ม, มุปาทานและ พวุปาทานไหมยังต้องการวัตถุกรรมยังต้องการพบใหม่อยู่ไหมก็ไม่ต้องการทําไมจึงไม่ต้องการกรรมทําไมจึงไม่ต้องการวัตถุกรรมทําไมจึงไม่ต้องการพบใหม่ก็เพราะว่าอา น, นิสงค์ของพบเหล่านั้นกําไรของการได้พบเหล่านั้นกําไรของการมีวัตถุการม น, นั้นก็คือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญะทุกอย่างจะจบลงด้วยสิ่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆ ทุกอย่างจบลงด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตแต่ว่าโสกะของใครอีกเรื่องหนึ่งนะของใครอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าของใครแต่ว่าที่แน่ๆสรุปจบลงที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตนี่นะเพรา ะ, าะพบทุกพ บ, พบการเกิดทุกการเกิดธรรมชาติของเขาก็คือชราและมรณะอยู่แล้วเกิดมาเท่าไหร่ก็แก่เท่านั้นแก่เท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น ก็สรุปว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่าที่จํานวนที่เกิดอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกติกาของวัตตะเป็นธรรมนิยามเป็นความแน่นอนของธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าไอ้เกิดแก่เจ็บตายอันนี้แหละก็บอกว่าเนี่ยที่มานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยนะใครมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตของตนและคนอื่นเนี่ยนะเขาว่าอะไรนะเห็นแต่นั่งหัวเราะกันอยู่เนี่ยนะคนอื่นหลั่งน้ําตาให้มามากแล้ว ขณะดเดียวกันก็หลั่งน้ําตาเพราะคนอื่นมามากเลยแล้วแล้วก็ตัวเองก็หลั่งน้ําตาเพราะตัวเองมามากแล้วก็แสดงว่าสนุกหรือทุกข์เนี่ยทุกข์แต่ก็สนุกดีไงไมันั่นนะทนได้จริงๆเลยนะทนทนท น, ท น, ทนบอกไม่ทนแล้วเนี่ยมาเรียนหาทางออกหรือเนี่ยเหมือนกันที่มาศึกษาทุกวันเนี่ยก็เพราะจะหาทางออกแล้วไม่ทนแล้วเหมือนน ทนเจริญกุศลพระพุทธเจ้านะพระองค์สอนให้ทนต่อการเจริญกุศลแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ทนอยู่ในวัตฏะเลยต่างนะบางคนเนี่ยหุ้ยจงทนไปเถิดอดทนอดทนอดท น, ดท น, ดทนหรือทนอดกันแน่กำว่างี้ยนะเะฟังให้ดีนะศึกษาธรรมะเนี่ยต้องต้องแยกให้ออกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนเนี่ยนะไม่พระองค์ไม่เคยสอนให้ทนอยู่ในวะตะัตฏะ เธอจงอยู่ต่อไปเถิดภิกษุเธอจะเบื่อน่ไปทําไมในวัตตะมีแต่พยมานก็บอกว่าคนมีโคลนะเขาจะมีความสุขเพราะโคลคนมีบุตรจะมีความสุขเพราะบุตรคนมีอะไรก็มีความสุขเพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกตรตรัดตรงกันข้ามมดเลยทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าวัตตะนี่อย่าไปทนเลยจงรีบจงเร่งจงออกจงก้าวหน้ามีแต่สอนให้ออกแต่ถ้าเจริญกุศลมันจะมีปัญหามีอุปสรรคทนเธออดทนเอานะ่ยนะ ปุตตชนบอกว่าอุ้ยทนได้ยังไงเจริญกุศลแต่ทนในวัตานิทนได้อุ้ยทนจริงแปกนะบางทีนะทนเขาบอกว่าฟังธรรมเนี่ยนะคนเขาบอกว่าโอ๊ยฟังยากยากประมานทนฟังไม่ได้หรอกมันยากแต่เชื่อไหมถูกด่าเป็นสามสี่ชั่วโมงเนี่ยทนได้เออเอาเนี่ยถูกเขาด่าถูกเขาว่าถูกเขาอะไรเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่อะไรนะทนได้เออแปลกจริงนี่มาดูต่อไปว่า ทิฏฐุปาทาน น, นะความเห็นด้วยอํานาจทิฐิเนี่ยนะถึงการหายไปด้วยสุญญาตาวิโมกสุญญะตาวิโมกสุญญาตาวิโมกแล้วอนะไรนีทิฏฐุปาทานความยึดถือด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐินั้นก็คือทิฏฐิหกนั่นเองทิฏฐิหกถึงการหายไปด้วยสุญญาตาวิโมก ส่วนอัตวาทุปาทานถึงการหายไปด้วยอนิมิตวิโมกเนี่ยนะอัตวาทุปาทานก็ถ้ากล่าวตามที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่กําหนดรู้กับพระลีงกราหารผู้นั้นก็ชื่อว่าละสุภวิปปาราตผู้ใดที่ละสุภวิปปาราตคนนั้นก็ไม่ยึดถือด้วยกามุปาทานผู้ใดกําหนดรู้กับภาษาหารผู้นั้นก็ละ สุขาวิปลาสทละสุขาวิปลาสก็ไม่ยึดถือในภาวะปาทานผู้ใดที่กําหนดรู้วิญญาณอาหารผู้นั้นก็ละนิจจาวิปลาสผู้ใดละนิจจาวิปลาสผู้นั้นก็ไม่ยึดถือด้วยทิ่ถูกปาทานผู้ใดกําหนดรู้มโนโสันเจตนาอาหารผู้นั้นก็ละอัตตาวิปลาสผู้ที่ละอัตตาวิปลาสก็ไม่ยึดถือด้วยอัตวาทุปาทานนี่นะกับผลิกรา กับพลิงกระหานสุภาพวิปลาดกามุปาทานเนี่ยนะที่สาที่หนึ่งเนี่ยคิดง่ายๆว่าที่สาที่หนึ่งทั้งหมดเนี่ยละด้วยอปปนิหิตาวิโมกที่สาที่สองก็อปปนิหิตาวิโมกหมดเลยที่สาที่สมสุญญตาวิโมกที่สาที่สี่อนิมิตาวิโมกอ่ะนะนี่วิธีคิดง่ายๆถ้าใครที่เขียนตารางอยู่แล้วนะจำกาหนดง่ายมากช่องที่หนึ่งอปปนิหิตาวิโมกช่องที่สอง อปปนิหิตาวิโมกช่องที่สามสุญญาวิโมกช่องที่สี่อนิมิตาวิโมกจริงก็มีอยู่เท่านี้นะถ้าใครชอบตารางแบบสรุปสรุปก็เท่านั้นแหละในต่อไปมาดูธรรมะข้อหกลุ่มที่สี่คือโยคะสี่โยคะสี่ไม่ว่าจะเป็นกามะโยคะภวะโยคะถึงการหายไปด้วยอปปนิหิตาวิโมกก็คือหายไปด้วย พุขานุปัสนาปณิที่เนี่ยโดยสัพท์แปลว่าความการตั้งความปรารถนาอภปณิทีก็คือไม่ปรารถนาทําไมจึงไม่ปรารถนาก็เห็นว่าสิ่งที่ปรารถนานํามาซึ่งน้ําตาเนี่ยนะสิ่งใดที่นํามาซึ่งน้ําตาเป็นต้นนํามาซึ่งความเจ็บปวดในภายหลังต้องการสิ่งนั้นไหมต้องการสิ่งนั้นไหมฉันใดก็ดีเมื่อเห็นว่าการโยคะภาวะโยคะเนี่ยนะ ความยึดถือในการความยึดถือในพบนามาซึ่งโสกปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาจึงเลิกตั้งความปรารถนาเพื่อสิ่งนั้นเพราะถ้ามีสิ่งนั้นอ่ะต้องจ่ายด้วยน้ําตาอะไรนะก็ก็ชีวิตของเราเกิดมาในโลกเนี่ยเราเราจ่ายเยอะนะจ่ายด้วยอะไรบ้างน้ำเสียน้ําตาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะจ่ายด้วยน้ําตานะในโลกเนี่ยจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยเลือดเนี่ยนะเสียเลือดไปเท่าไหร่จ่ายด้วยความทุกข์ถูกเคียมถูกตีทาง แม่รว่าเดินหเดินล้มก็ถูกเคี่ยนถูกตีเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะถูกโบยถูกบังถูกเบียดถูกตัดถูกเคี่ยนถูกตีในที่สุดก็ถูกฆ่าเขาแกล้งให้ร้องให้จนขนาดนั้นก็โทษว่าตามก็เป็นอย่างนี้แล้วมันถ้าหากว่าเห็นโทษของกามโยคะการโยคะนี่แปลว่าการผูกหรือการประกอบผูกไว้ด้วยกามผูกไว้ด้วยภพถ้าเห็นว่า การผูกไว้ในกามหรือในภพนำมาซึ่งความทุกทุกประการเนี่ยนะจะตั้งความปรารถนาเพื่อสิ่งเหล่านั้นไหมก็ไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อสิ่งนั้นแล้วนะกุศลธรรมที่สาคัญที่จะนำออกจากการยึดถื อ, อการผูกไว้ในกามผูกไว้ในภพก็ด้วยอานาจอปนิหิตะวิโมกเนี่ยนะส่วนทิฏฐโยคะย่อมถึงการหายไปด้วย สุญญตะวิโมกนะการยึดถือด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิทั้งหลายทั้งสัสตทิฐิและอุดเชธททิฐิ น, นะเมื่อเห็นความว่างจากสัตว์และบุคคลทั้งหลายทิฐิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือ ล, ะละทัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยนะละทัทธิมิจฉาทิฐิทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ไม่เกิดสัตตะสัญญาหรืออัตตสัญญาในในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยนะมิจฉาทิฐิไม่เกิดแ ม, ม้แต่ชิ้นเดียว มิจฉาทิฐิมันเกิดจากความเข้าใจผิดในเกิดจากความเห็นผิดนะนะไปเห็นผิดว่าเป็นสัตตุปคละชีวะเนี่ยนะไปเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นโวหารที่เอาไว้คุยกันแต่มันสําคัญว่าเป็นจริงเข้านี่แหละก็เกิดมิจฉาทิฐิถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นจริงๆก็คือสังขารธรรมทั้งหลายนะสังขารเหล่านี้ถ้าแบ่งนับหนึ่งได้ไหม ได้ดำรงอยู่ด้วยอาหารสังขารทุกชนิดเนี่ยนะนับหนึ่งก็ได้คือดำรงอยู่ด้วยอาหารถ้าแบ่งเป็น2อย่างก็คือนามกับรูปถ้าแบ่งเป็น3ก็คือเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา3มถ้าแบ่งเป็น4ดํดำรงอยู่ด้วยอาหาร4ถ้าแบ่งเป็น5ก็คืออุปาทานขัน5แบ่งเป็น6ก็รู้ตามทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแบ่งเป็น7ก็คือเกิดจากปฏิสนธิด้วยวิญญาณติดถ้าแบ่งเป็น8ก็ยุดดารงอยู่ เรีว่าถูกครอบงำด้วยโลกธรรมแปดถ้าแบ่งเป็น9ก็อยู่ในภพเก้าหรือสัตววาดเก้าถ้าแบ่งเป็น10ก็อายตนะ10แบ่งเป็น12ก็อายตนะ12ขยายออกเป็นก็เป็นอายตนะเอ่อเป็นทาปพวกนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อมีการย่อการขยายอย่างไรก็คือสังขสังขารธรรมย่อขยายไปอย่างไรก็คือสังขตะธรรมที่ขยธรรมมังวยธรรมมังเนี่ยนะขยะธรรมมัง วายะทำมังวิรัชทำมังคือหมายค่าว่าจะย่อจะขยายปานใดก็ตามสิ่งนั้นก็คือขยะดีๆนี่แหละแต่ว่าแม้ภาษาธรรมะเขาก็ไม่พูดว่าขยะขยะว่างั้นนะฟังให้มันเพราะหน่อยจริงก็คือขยะขยะแปลว่าอะไรขยะขยะวยะเสื่อมขยะแปลว่าเสื่อมวยะแปลว่าวยะเสื่อมขยะสิ้นใช่ไหมสิ้นเลยนะ แล้วก็วิราชาวิราชาแปลว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความคลายความกำหนัดเป็นธรรมดาเออเนี่ยดอกไม้ที่ว่ามันงามๆเนี่ยตั้งไว้สักสมอาทิตย์เนี่ยดูซิพระจะยังกะเอามาตั้งอยู่ต่อไปไหมเงี้ยนะอ้าวก็เป็นที่ตั้งแห่งคลายความรักเป็นธรรมดาในที่สุดเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามอย่าไปคิดว่าจะมีอะไรเข้าไปไปรักสิ่งนั้นอยู่ตลอดไปเป็นต้นเนี่ยนะไม่ในที่สุดคลายความพอใจเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าถามพระพิสุว่าเธอเคยได้ยินหรือว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นของเที่ยงเธอเคยเห็นไหมว่ามันเป็นของเที่ยงเธอเคยเห็นไหมว่าถ้าชอบอะไรแล้วมันจะชอบตลอดไปพักดีอย่างมั่นคงเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกมีแต่ในการ์ตูนแค่นั้นแหละนะแต่ว่าในโลกที่เป็นจริงไม่มีหรอกเนี่นะเพราะว่าในที่สุดสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความคลายกําหนัดเป็นธรรมดาเนี่ยนะไม่เชื่อก็ ใครไปตัดผมแล้วเก็บมาไว้บ้าง น, นะโว้ยตอนที่อยู่กับตัวนะ่ะแต่งดีดีอบทั้งอบทั้งนวดทั้งท้อนจนเออตัดไปแล้วนี่ไม่เห็นเอามาเลยนะใช่ไหมโกนหนวดผู้ชายคนไหนเคยโกนหนวดโกนเคราแล้วเก็บไปบ้างนี่ น, นะหนังกําพร้าที่ว่าผิวงามนักแล่เนี่ยนะขัดล้างเสร็จแล้วเก็บไปไหมไม่เห็นมีใครเก็บไว้สักคนหนึ่งมีแต่โว้ยสับเสียหายหมดเลยนะถ้าหลุดออกไปจากกายแล้วนะ แปลเป็นอุจจระหมดเลยอ่ะเนะี่ยถ้าออกจากตาก็อุจจระตาแต่เขาไม่เรียกอย่างนี้หรอกก็อีกอย่างยังก็จะว่าพระหยาบมาเอาละ